ตั้งเป้าเอาอาการคิดจริงไม่ใช่คิดมากถ้ารักจะเป็นคนหมกมุ่นครุ่นคิดจงคิดให้จริงด้วยการคิดถึงตัวเองในปัจจุบันให้มากขนาดเห็นตัวเองในอนาคตได้คนคิดมากมักหมายถึงคนที่ห่วงแต่อนาคตหรือไม่ก็เสียดายแต่อดีตคิดมากจนเหมือนหุ่นยนต์ไร้ค่าในวันนี้ รอมัวแต่รันโปรแกรมพรุ่งนี้ที่ยังไม่มีราคากับเมื่อวานที่หมดราคาไปแล้วไม่หยุดผลของการคิดมากคือเป็นการล้มละลายทางตัวตนในปัจจุบันต่อเมื่อเปลี่ยนใหม่จากความคิดกังวลเช่นพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะกลายมาเป็นวันนี้จะเตรียมอะไรให้พรุ่งนี้ได้บ้างหลังจากความคิดอะไรลอวอรเช่น เมื่อวานทำไมเลือกโง่ๆอย่างนั้นกลายมาเป็นวันนี้เลือกคิดอะไรฉลาดๆบ้างหรือยังเมื่อถอดถอนความคิดจากวังวนคำถามซ้ำซากเกี่ยวกับอนาคตอันไม่เป็นที่รู้และอดีตอันไม่อาจย้อนคืนคุณจะพบว่าตัวเองกลับมาอยู่กับตรงนี้ที่เป็นปัจจุบันขุดคุยค้นหา ตั้งคำถามเกี่ยวกับความจริงตรงหน้ามากขึ้นมากขึ้นกระทั่งเห็นตัวเองในอนาคตใกล้ๆว่ามีอะไรให้ทำบ้างในที่สุดคุณจะเกิดความจดจำใหม่ว่าถ้าคิดจริงจนเห็นอนาคตใกล้ๆได้ในที่สุดจะเห็นอนาคตใกล้ๆด้วยคิดจริงจนอนาคตใกล้ๆดีได้ขนาดไหน เมื่อสะสมอาการคิดจริงให้มากแล้วย่อมรู้เองลวงหน้าว่าอนาคตไกลๆยิ่งดีได้กว่านั้นอีกตั้งเป้าคิดถึงสิ่งที่เป็นไปได้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่ามีความคิดที่เป็นไปไม่ได้เกิดขึ้นมากมายในหัว โดยเฉพาะในช่วงที่อยากทำโนวนทำนี่มากมายพร้อมกันจนกระทั่งภาวะผวาผวังเหมือนถูกยื้อแขนยื้อขาไว้ไม่ให้เริ่มทำอะไรจริงสักอย่างยิ่งนานยิ่งรู้สึกเหมือนเป็นง่อยทางวิญญาณทุกความคิดติดตันเอาแต่คิดเรื่องที่ทำไม่ได้จริงเดี๋ยวนี้ไปหมดความคิดที่เป็นไปได้หมายถึงความคิดถึงสิ่งที่กระตุ้นให้อยากลงมือทาทันที ถึแม้เห็นเห็นอยู่ว่ากว่าจะทําสําเร็จต้องออกแรงนานปีกระนั้นก็รู้สึกราวกับว่าความสําเร็จอยู่ใกล้แค่เอื้อมความคิดที่เป็นไปไม่ได้หมายถึงการคิดถึงสิ่งที่บีบให้คุณเอาแต่คิดโดยไม่เคยอยากลงมือทําจริงจังถึงแม้เห็นเห็นว่าถ้าเอาจริงก็ใช้เวลาเดียวเดียว แต่กลับรู้สึกราบกับความสำเร็จอยู่ไกลเกินฝันไม่อยากออกแรงคว้าไม่อยากเลืองแรงเอาอะไรแล้วระบบความคิดของมนุษย์เป็นสิ่งแสนกลนถ้าไม่สั่งตัวเองให้เลือกคิดในสิ่งที่เป็นไปได้จริงมันจะปิดกั้นตัวเองจากความจริงแล้สร้างความคิดที่เป็นไปไม่ได้จริงมากขึ้นเรื่อยๆกระทั่งกลายเป็นคนคิดมาก ทำน้อยแล้วไม่ประสบความสำเร็จอะไรเลยจาไว้ว่าอย่าพยายามห้ามความคิดที่เป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นประจำกับใจคุณมานานคือสิ่งที่ไปหยุดด้วยใจไม่ได้ใจคุณมีกำลังไม่พอแต่แม้หยุดมันไม่ได้ก็เลือกได้ว่าจะค่อยๆสร้างความเคยชินที่จะอยู่กับความคิด ที่เป็นไปได้เดี๋ยวนี้เมื่อฝึกจนชินก็จะรู้สึกขึ้นมาเองว่าความคิดที่เป็นไปไม่ได้เดี๋ยวนี้เป็นสิ่งรอได้หรือกระทั่งไม่ต้องเอาใจใส่ก็ได้อยากเกิดขึ้นในหัวก็ปล่อยให้เกิดไปแต่คุณไม่ให้ค่าไม่ให้ราคามันเสยอย่าง ตั้งเป้ามองสิ่งที่มีไม่เอาแต่จ้องสิ่งที่ขาดคนแขนขาครบอาจดูอ่อนแอเหมือนคนแขนขาขาดขอเพียงจิตเป็นง่อยหรือมีความคิดที่พิการคนแขนขาขาดอาจดูเข้มแข็งกว่าคนแขนขาครบขอเพียงจิตเป็นปกติหรือคิดแต่ว่าตัวเองมีพอ ความคิดที่พิการตั้งต้นจากมุมมองแบบคนขาดเพ่งแต่สิ่งที่ตัวเองอยากมีแล้วไม่มีจนขอให้เกิดความรู้สึกว่าตัวเองบกพร่องตัวเองไม่มีตัวเองไม่มีทางดีขึ้นกว่านี้ตัวเองสู้คนอื่นเขาไม่ได้น้อยใจวาสนาแล้วหาเรื่องโทษคนอื่นหรือเฝ้าโทษแค่กรรมเก่าที่มองไม่เห็น แต่ไม่คิดเอาความผิดกับกรรมใหม่ที่เห็นอยู่เดีย๋ยนี้ความคิดที่ไม่พิการตั้งตนด้วยความรู้สึกว่าตัวเองมีลมหายใจที่เหลืออยู่เพื่อบังสิ่งที่มากกว่าอาการง่อยนิ่งตัวเองแข็งแรงพอจะลุกไปแก้ปัญหาที่เกิดให้จบได้เชื่อมั่นว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใครๆก็สร้างวาสนาเองด้วยใจกันได้ แม้เผื่อใจยอมรับว่าบาปเก่าอันลึกลับอาจบีบคั้นให้เกิดเรื่องไม่คาดฝันขึ้นมาแต่ก็เทใจรับรู้ว่าบุญใหม่เช่นความเพียรพยายามอยู่เอ็นเห็นนี้ช่วยหนุนให้ทุกสิ่งดีขึ้นได้เสมอเมื่อคิดครบย่มไม่รู้สึกขาดใจจะเอาแต่เล็งว่ายังเหลืออะไรเป็นทุนหรือกระทั่งเห็นว่าตัวเองมีอะไร ที่คนอื่นขาดต่อให้ขาด้วนแขนกุดก็อาจสร้างสารรค์เรื่องดีๆขึ้นได้มากกว่าที่มีครบ32และหลายคนเส้ อ, อีก